เออมื่อนี้วันอุโบสถหลวงพอบ่าวเมื่อกี้เนี่ก็ลืมใส่ไม่ไปพวกเห่ากจะจีหูตังแต่ไดก็ะยังบมได้เงินยงง อ, อยู่ไม่หลวงพอบ่าวยั่งย่อยอีกคือเ <c oughs> มื่อนี้เป็นวันอุโบสถวัดหลวงปูแผงเนี่ยงานศพพนก็นยั่งอยู่นี่บัณฑิตพนสิสวดสวดถอนสีมา่าสีมานี่คือบริเวณโบสถอย่งที่อะไร องเขาเนี่ยแปลว่าวิสุงคามสีมาบัดนี้พ้นฝังหลูกนิมิตพ้นก็อยูแ่แฉบคล้ายๆบริเวณเซลาเนะ่ะบริเวณเซลาเวลาพระสวดจะเอาพระเป็นหน่อยองพระหน้อยองค์สวดจำว่าพระหาองค์สวดพ้นกับขีดตาตล่างไปหาองค์ก็ยืนนึกกัสวดเอออันนี้มองนี้เป็นสีมาของเข้านะ่ะได้รับพุทธานุญาตเนอะต่อไปไพ่ภาคนาเนี่ยเป็นสีมาสวด พอสวดโอ้ใส่เวลาประมาณชักเถื่อเถื่อนประมาณชักสิบนาทีพอสวดแล้วขยับไปมูนั้นอีกไปยืนเฮี้ยงกันอีกสวดอีกบาทในโซสาร่าของเฮ้าเนี่ยเปนบ่อละโซ่สาลาของเฮ้ามันกว้างเด้บาทเนี้ยโบดโซ่สสียางฉีดไปที่ตีตารางเมตรทีละหาตารางเมตรหาองเด้เออมือนี่โอ้สวดบ่ออะไรมือว่ะไปองค์ที่สวดก็มือเอาพักสะก้อนคนทั่วไปพ่อพักเอาแห้งมืออื่นมาสวดต่ออีก สวนต่ออีกบ่แล้วอีกสวดอีกสวดจนครบทุกตารางเม็ดตัวนึ่งไปไอจีแปลว่าจบแต่ขันพระหลายบาทนี่ยสมมุติว่าพระหลายพระเป็นพันคนนะยืนเฮียงกันได้บาทอยู่ในบริเวณสารานะี่พ่อยืนเฮียงกันบ่ห่างกันนะอยู่ในหัตถบาทนะคือว่าหัตถบาตครับนี่ยคือบ่วงแหงมือนขนาดนี้ยืนขึ้นมาเห็ุมือคงค ง, งสิ อันนี้ว่าบ่วงแหงมือในพรวิไดยยืนให้ห่างกันประมาณบ่วงแหงมือยืดเท่านั้นวันนั้นก็ยืนไปเอ ก, ก็บ่วงโดยรอบเจ้ของอ่อันนี้ว่าหัตถบาทดูในหัตถบาทคือบ่วงแหงมือรอบทั้งสี่ทิศแล้วก็ยืนเฮี่ยงกันแล้วก็สวดเพราะสวดไปว่าแล้วเลยสวดข้างเดียวเพราะว่าพระยืนครบมัดอันนี้ก็คือถ้าบอกพระหลายมันก็สิสวดแล้วง่าย ขัน้นพระหน่อยหาองค์หนึ่งอเอ์สวดจนข้อแหบข้อแห่งก็มันกบบระโบแล้วน่ไปอันนี้คือคือพรวินัยคือพอวินัยนี่เพิ่นต้องอที่ถันน่วนนี่คือเกิดกับกฎหมายเนะี่ยมองหนีแม่นบหมองหนีแมงบ อ, มองแม่นบอรับทราบร่วมการป้อนเนี่ยเพิ่นสิสวดเพราะนั้นมืัอนี่จะให้พระวัดเฮาไปสักสิบหาองค์กันจะไปทั้งยกวัดมันกระ บ, บอบอแมนพระเท่าไหร่ก็นยี่สิบเท่าไหร่ก็ยี่บแปดนะ เออยี่บแปดไปสิบห้าองค์นอกนั้นก็ให้ฟอร์วัดพวกฟอร์วัดก็รักษาให้ดีเพรมันอพาร์คอมหัวนอนอยู่กระบอแมนแนว่วคือกันเนียต้องตรวจตาอาขี่ขโมยไมาเอาของวัดถ้ำวัดทาเลยเออต้องฟอร์วัดพวกอยู่วัดกับฝอรวัดพวกที่ไปถึงถ้ำนาทีเออพวกอยู่วัดกันที่ไปมัดทางวัดมันกรบอกแมนแน่วเพราะวัดเท่ามันกว้างมันใหญ่ขู่ข้นมาเกี่ยวของ ผูรักษาวัดกรมีผูไปสวดก็มีบาดให้หลวงพอ่อพระจะไปพุ้นได้บาดทั้งวายคณะสงฆ์สมเด็จพระวรนรัตเป็นผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นคณะใหญ่ธรรมยุทธให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศทั้งฝ่ายธรรมยุททั้งฝ่ายมหาดิกายขอลองกันเพื่อจะหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ถวายไหวในโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลพญาพ่อหลพลพยุหเสนาเป็นโรงพยาบาลอยู่จังหวัดกาญจนบุรีแต่สมเด็จพระสังฆราชพระสังฆราชองค์ปจจุบันเป็นประธานพลจะได้หาเครื่องมือไปไหวในโรงพยาบาลแห่งนี้ขาดเงินอยู่ประมาณ250ร้าบล้านบาไมเพก็เลยประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอบาดะนี่จังไรพวกนี่เปิดจดหมายเปิดถลำลงมหาหลวงพ่ออีดิที่ตั้งสองสบับพะผุนอาบาดไงแต่ตามไม่จริงกับพี่แต่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเท่านั้นแหละเป็นผู้รับลูกรับสาบในเรื่องแต่เห็นเขาก็คงจะว่าหลวงพอ่อเนี่อยู่ในเมืองอุดรเนี่ยเป็นผู้หาทุนให้โรงพยาบาลมั่งผนก็เลยมีจดหมายมาปถามองคกเงินปฐไใ้รบับเฉลไดยบานีง เจ้าอาวัตออื่นบ่ได้รับเพาะั้นมีแต่ได้รับแต่หลวงพ่อหลวงพ่อเบิ้งเบงเ็เจาะจงในจรดหมายสองสับบันคืเจาะจงแม่มาจากผุนมาจากกรุงเทพมาจากจังหวัดอีกลุงพ่อก็คงจะได้เขาไปไปชมวันนี้ประมาณสิบสามนาฬิกาสามสิบนาที่ที่ไปชมอยู่สลากลางอยู่ที่สลากางจังหวัดมีเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัด เจังหวัดบ่กี่มาไปชุม่มหลวงพ่อจะได้เข้าร่วมไปชุม่มทงพุ่นมืมดเลยผู้ที่ไปวัดหลวงปูแผงก็มี่หลวงพ่อกะจะไปพุ่นแต่ว่ากลับมาตอนเย็นกะมาลงอุบโบสถนะมาพร้อมกันองค์ไหที่ ล, ล่องแล้กก็ไปว่ดแล้วไปองค์ไหนวได้หล่งก็มาร่วงกันองค์ไดสีสวดปฏิโมกข์มาแล้งเนี่ยกะวววกันนาะปกทันทั้งหลายอันนี้ก็แบ่งงานกันและคณะศรัทธาญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่บาตเนี่ยอยู่ทั้งหลังหลวงพ่อนี จะหน่อยพันให้ทำรั่วทำรั่วพระตำหนักของฝวายหญิงที่เปินมาประทับในวัดเท่าหลวงพ่อก็เลยให้พวกฝ่ายหยาดโยมช่วยช่ยกันเบิงเนะ้าทำเป็นรั่วรล่รอบขอบชิดให้เป็นรั่วขึ้นมาไอ้เนี่ยให้คู่บาเป็นสร้างช่วยชยกันเบิงพวกผู้เฒ่าผู้แกเนะ่ามาช่วยช่ยกันเบิงมาเห็ดหัวมั่ง เห็ดหลุมผูบาเห็ดโบไรเดชแล้วก็มาผวกผู้หน่อยผู้นมมาเทพปุ๋งเทพปูนซ่อยๆกันกันนะว่าเบิง่งเบิงเบ่งเพ่มองเพิ่นประทับขั้นผมมีหัวเบิ่งเบิ่งกับมันกบบระบอกมันกบบระบอกเป็นสัดส่วนอีกเพราะนั้นหลวงพ่อกัมาคิดถึงนายพวกเนก่า พ, พวกเข้าเป็นเจ้าของบ้านผมเม็นเจ้าของหลวงพ่อเป็นเจ้าของผู้เดียวเด้พวกเข้าซัท่าแยดนุ่มนี่แหละที่มาวัดมาว่าของหลวงพ่อเนี่ย เป็นเจ้าของวัดร่วมกันเท่าขวรจะเฮ็ดเป็นสัดส่วนสําหรับเพิินมารประทับนะก็เป็นสิริเป็นมงคลไอ้เจ้าฝ้าเจ้าเป็นดินเป็นทหารใดที่ไหนตัวทู่นเชิญไปจะละมองว่แ ม, มันธรรมดาอันนี้เพลินมาหาเห่าเพิินมาเห่าเพลินเจเดจมาหา เ, เ, ห, า ห, า ห, าเาห่าก็นะว่าเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับวัดของเห่าคนนั้นเหาของขุจะ เฮ็ดเป็นลักษณะตอนรับเพิินเป็นตำนักหรือว่าเป็นรั่วรอบขอบชิดพอสมควรตามภาษีภาษาของข้าเนลลี่ยแหละพอจีเฮ็ดได้นะอันนี้ก็ให้พวกผู้เฒ่าผู้แก่เนาะช่วยซอยกันเบิงนะ่งเนาะพวกผู้หนุย่ยผู้หนุ่มวันนั้นอ่ะผู้ที่มีพ่อพี่ที่สรุดสรุดมาเฮ็ดช่วยกันได้พอนำไปหลวงพ่อก็เห็นใจเยอะเลยถึงหลวงพอยุนซีหลวงพ่อก็เห็นใจพี่น้องลูกหลาน พวกกีดย่างทั้งหลายทั้งสีกีดยางพร้อมทั้งสีไสนัมโคตรทั้งสีเก็บยางโมเมนต์งานหน่อยๆขึ้นกัน น, น่ะแต่ว่าถึงยังไงเฮาจะไปหาเก็บแต่สวนยางอย่างเดียวกองบ่อใดเลยมันต้องสางบุญสางกุศลน้าพร้อมเลอกันว่าสางแต่สวนยางย่างเดียวต่อไปมันก็จะเป็น จ, กจัจกจจกระจงจักรยานเฝ้าสวนยางแถวนั้นมันก็บมเมนแน่วขึ้นเก้า น, นั่นแหละอมันต้อง ทำบุญทำท่านเขาวัดเขาว่ารักษาศีลพาวนะันหน้าสางบุญน้าไปน้าพร้อมยังค่อยแมนอันนั้นหลวงพ่อก็นาเห็นใจ เ, เห็นใจก็คือคือกันกับนี่แหละ เ, เห็นใจคือคือพวกเขา่าเหตุงานส่วนอย่างแต่ละมือมันนักพอสมควรแต่ว่าจีนักแต่ส่วนอย่างอย่างเดียวสีโป้ทำบุญทําท่านเฉลิ้มหลวงพ่อก็บรเห็นด้วยขี้กันแต่เจ้มาเหตุแต่วัดว่ า, าศาสนา จนขาดตกปกพ่องจนทั้งในขอบครั้วจนหาจิยูสิกินก็บเพาได้มันกระบอแม่แน่อีกขี้กันปนลงพอนะ่ะอยากจะให้ทําทั้งสองอยางสองยางคือนยังสางทั้งบุญพอมทั้งขอบครั้วพรอมให้ไปน้ากันทวนหน่อยให้ไปน้ากันทั้งทั้งสางบุญทั้งสางขอบครั้วบุญกุศลที่เฮาสางเนี่แหละมันบมไปใส่เด้มันบมไปใส่มันจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเฮา เกิดมาพบหนายชาติหนาด้วยว่าตายจากชาตินี้ไปจะไปสู่สุคติอย่างในธรรมบทธรรมปฏทัศน์ถาเนี่ยหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเพิรนวาพระจันทจันทะพะทระเถระเป็นพะระเถระเพิรนบําเพ่นทั้งสองอยางที่หลวงพอวาาวง่อวาเนี่ยคารวะหยาดงมเปิลกระสังท่านาของเพิรนแต่ก็พร้อมกันเพิรนเกิด สั่งบุญกุศลเขาสู้จิตใจของเพลินขึ้นกันบอมเอนทีสางทานาเนี่ยการสางท้านะอย่างเดียวก็ตายแล้วกปเอาไปนําบริสิกสักอย่างเห็นโมนเสษถีตายไปแล้วพวกเข้าเห็นโมข น, นสับสมบัติไปหายขันว่าเห็ดลูกรุดเป็นเห็ดลูกรุดเป็นไปก็ไปเผาไฟเเห็ดถัดคนใส่คนสอยพ่อผมมัดทุกอย่างพื้นเู้่อนก็ไปเผาไฟเท่านั้นแหละเผาไฟไปหั่าะเผาไฟไปหา อากงอามากผู้พ้นตายไปอันนี้พวกเข้าก็เห็นกระโบวากันเพราะความเชื่อแต่ในรักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าพ้นบอกว่าเข้าต้องสร้างเองเลยสร้างบนกุศลเองอย่างพระจันท่าพระนี่ย่างที่ว่าเน่ยสมัยนึ่งเพิ่เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจสปะพระพุทธเจ้ากัจสปะก็คือในพัตตกะนี่มหาพระองค์ในกัป พระพุทธเจ้าของเฮ้าเนี่ยกากูสันโธโกณัคมโนกัจโปล่องกัจโปลนี่แหละเห็นแล้วก็โคตโมก็คือพระพุทธเจ้าของเฮ้าพระศรีอริยะเมตโยก็คือพระศรีอานที่จะมาตัดต่อจากพระพุทธเจ้าของเฮ้าองค์ที่สามนี่แหละเพิ่นมาตัดสโลจากนั้นเพิ่นปรินิพานพ่อปรินิพานแต่เดียกับพระจันท่าพระเนี่ยเพิ่นอยู่ในปลาเพิ่นอยู่ในโด่งก็เป็นมู เศรษฐีอยู่ในเมืองเอออยู่ในเมืองก็เลยอยากจะได้ไม้จันแดงไม้จันแดงไม้จันก็หอบที่แล้วมหน่อมีสีแดงอีกต่างหากเนีไม้จันแดงมันอยู่ในป่าโดยมากมันจะบูได้เขตนั้นห่อไปในเขตภูเขาแถวนั้นไทแมนคูมือเนี่ยกับไแมนอยู่ภูเขาควายลักษณะกันละเออแต่เนี่มันยุคในสมัยนั้นกับเป็นอยู่ในภูบริเวณนั้นไม้จันแดงเนี่ยป่าเี่เศรษฐีในเมืองเนี่ยก็เลย เข้าไปหาบอกอาก จ, จะได้ไมมนี่แหละจันดดแดงเนี่แหละมาบดให้เป็นฝุ่นให้เป็นถูเพอจุดขึ้นมาแล้วก็เป็นคงจะเป็นไฟลุกนว่นสีแดงสวยงามลักษณะนะแต่นี่ก็เลยเศรษฐีบ้านน อ, อคนบ้านนอกนี่ก็คนที่มีอันจะกินนะะ่ะก็เลยได้มาส่งมาส่งไม้แดงให้แกเศรษฐีเป็นประจำ จากนั้นเศรษฐีเนี่ก็เลยบดไม่จันเมื่อพระพุทธเจ้ากัสจปะปรินิพานก็เลยชวนเพื่อนที่เป็นบ้านนอกเนะี่ย mm. บดไม่จันแร์เลยค่ะ mm. เหตุเป็นถูกแล้วก็ไปจุดบูชาพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัสจปะพอจุดบูชาแล้วก็นั่นแหะบุญกุศลที่ได้ทำเนี่ยแหละนี่ยแหละย่อให้ทําบุญหมดไป พ่อไปจุดบูชาพระพุทธเจ้ากัสสปะสลีละพระพุทธเจ้ากัสสปะพ่อตายจากชาตินั้นไปสู่เทวโลกไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์บาัานเมื่อพระพุทธเจ้าของเฮานี่ได้อุบัติขึ้นในโลกพระจันทลับจันทธาภาพนี่ก็ลงมาเกิดบ้ะนะานพ่อลงมาเกิดที่นี่มีรัศมีมีรัศมีแคคิดว่าเสียงแสง ดูดเราพองสเยอนไปไปเห็นเออพองใสสวยงามมีลักะมีแต่ในทองเนี่ยไข่ไยๆก็มีลักษณะกระถางถูกนีนมีลูกกระถางถูกออแล้วก็มีแสงสว่างอยู่ในในทองพันอีกใ น, ในทางนอกเนาะไปผู้ใดเห็นก็โอ้หาบได้หาบมีอะไรไเพราะบุญบุญ้ามาเกิดเป็นมาจากสวรรค์เน่เพราะมาเกิดใช่แล้วแต่เ่พวก ภามทั้งหลายเขาก็ถือลึอกงามย่ามดีอยู่แล้วเป็นบล่ะกันคนแปลกๆกนี่ยขึ้นกันก็เห่าเห็นง่วนซีขาเขาควายออกหกเขาซีเขานี่แหละเออก็เป็นของแปลกคนอันนี้พกกภามเขาเห็นจันทธาภารนี่สวยงามอีกต่างหากนี่ลัตจะมีเป็นปังอีกต่างหากมีลัตจะมีอยู่ น, นี่หนาทองอีกต่างหากเนี่ยเขาก็โอ้เห่าเดียวเอานีทินะ เอาจันท่าธาพาเนี่ไปหาเงินไว้เอาใจนนกันว่างแผนกันเน่ะพวกพวกหาเงิ่อนมันก็มีคี้กันเด้เอาจากนั้นก็แต่งตัวให้สวยงามใช่แล้วก็ไปประกาศแล้ววันนีงเอ้ยชัฏธาญาติโยมผู้ใดก็ตามขั้นได้เอามือมาจับจันท่าธาพาเนี่ยผู้นั้นสะมีเป็นสิริเป็นมงคอดผู้นั้นสีร่ําสีรวยที่เป็นเศรษฐีขึ้นมานใดง่ายๆเพราะพนเป็น โม่งค้นมหาโมงค้นเหตุไหมเนี่ยลัตนีิปีของเพลเนี่ยเป็นปังกว่าคนทั้งหลายมีแสงสว่างออกจากหนาท้องอีกต่างหากเห็นไหมเนี่คนทั้งหลายก็ไปเห็นอู้แมนอิลีผู้นั้นเกิดผู้มีหนอยกัจากา้างยี่สิบาทบางสามสิบาทลอยบาทมื่นบาทแสนบาทชุดแท้แต่ผู้ใดจีมีเหรอพ่ อ, อ, อห้เงินพวกหนามาเสร็จเลยหล่เอามือเขาไปจับ ให้ร่างกายของเพื่อนเนี่ดีใจว่าเนี่ยเออกูต้องรวยแน่ๆละข้าวนี่ยลักษณะนั่นแหละแล้วเนี่ก็แห่ไปเมืองหน่อยเมืองใหญ่แห่ไปเรื่อยๆจนหอดกุงสวัสถีเนี่ยพอถึงกุงสวัตถีทีเนี่ยแหมก็ไปตั้งลักอยู่ไกลๆวัดปาเฉดตะวันมหาวิหารแต่เขาบงุจักกับวงหว่องงันคือพระพุทธจเจ้าเจด็จประทับเห็นมันว่างเขาก็เลยไปเช่า บ, บ้าน พราะชาบ้านเนี่พี่ตอนเศ้ามาจงจังพวกเข้ามาวัดทั้งสิทธิ์แหมที่มีถึงดอกใหม่ถูกเทียนมเีเครื่องสักการะพระพุทธเจ้า อ, อือาหารบ้างตอนเจ้าเน อ, อ, อยยางเป็นทางมากเป็นกระบอมีรถสมัยนั้นไมเนีย่ยยางเป็นทางมาไอพวกผ้ามทั้งหลายแหล่เนี่ยจันทท่าพระกับพวกผ้ามทั้งหลายที่เป็นไนานานามาเนี่ย พวกท่านทั้งหลายสิ่ไปสายโอ้ยไประาศพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้ า, จาบัดขึ้นแล้วในโลกโอ้ยพวกเจ้าสิา่ไปยางนี่จันทธาพระของเฮ้าเนี่ยเป็นผู้มีรัศมีเป็งปังเออมีรัศมีออกจากหนาทองอีกต่างหากขั้นผู้ริมาจับมัดตั้งจิตอธิษฐานแล้วกัผู้นั้นมิตรวยอย่างเดี่ยวนั่นทางพุทธลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยในโลกนี่ มองบเห็นผู้ใดสิยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าโคตมะนอกนั้นมองบเหิษพวกนี่คือว่าวันนี้พวกนั้นก็บรื้อเอาไปพอมันโดยมากผู้ที่เขาไปกราบพระพุทธเจ้าเป็นผู้มุ่งมั่นเลยเด็เป็นพระอริยะบุคคลอ่ะเป็นโมวันไหวเลยเด้พระสดาบันฑบังพระสักท่าข้ามีบังพระหนาข้ามีบัง อ, อแล้วก็เป็นคนธรรมดาเลยเ็ดติฟังเทศพระพุทธเจ้าแลยมั่นใจผ้ามันว่าปันนี้ก็พวกนี่มัเสือเอ๊ะ พวกเขาไปเบิงก็ น, น่าเป็นอย่างไรแกเลยเอาจันทภาเนี่ยจันทภาเนี่ยไปด้วยเพราะจันทภาเนี่ยไปกับบริวานบริวานกับโ บ, บมมนน่อยขึ้นกันหาล500้อยขึ้นกันเพื่อ น, นี่ก็ได้พ่อเขาไปว่าเลยไปกาปพุทธเจ้าพ่อไปกาแล้วเ อ, เ, อเอ๊ะนัจมีที่มันเปล่งปังออกมานี่ยพ่อปั่นเสียงแสงหิงหอยบาดเนี่ยเออพ่อแสงหิงหอยมดนัจมีพ่อไปใกลพุทธเจ้าพุทธเจ้า บันดาลเลยบันดาลใส่อิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ให้ให้มรดิ์ลงไปให้มดบุญวาสนาพรอกอไปใกล้พระพุทธเจ้าจะชัดพระพุทธเจ้าสอนบุไ้เลยพ่เขาไปมรดิ์พระปันแสงหิงห้อยกลับออกมาพ่อเาพวกนั้นพวกพ้ามือกราเป็นยังไงเป็นหงสี่วัคเลพอกลับออกมาแแสงสว่างแบบงขึ้นมาอีกพอ่อเกกรับเขาไปอีกเชือที่สองเถื่อที่สมแสงสว่างนลยกับมด บาตรใ น, นโอ้แมนอิลีพระพุทธเจ้าขอบง่ำแล้วเดี๋เนี่ยสมณะโคดุมพุทธเจ้าเนี่ยอบง่ำอิทิลิตพวกห้าวพวกข้าวเป็นหิ้งหอยเลยวเลยเข้าไปนี่ยรัชมีของพระพุทธเจ้าเนีโห้เพื่นกระผิดผาดิดเลยวระทิ้พระิดผาจันเลยเป่งปังสดใสแต่นี่ผ้ามพนีก็เลยเข้าไปว่าพระพุทธเจ้าขาขาพระองค์เขามากใกล้พระพุทธองค์แล้วบาล บ, บี้แล้วว่ารัชมีของขาพระองค์หนึ่ง เหมือนกระหิงหอยมัดอำนาจพวกขาพระองค์ในอยากจะได้พระองค์รู้ไหมว่าทำไมรัศมีมันจึงมัดจังสี่นี่พระองค์รู้แนวทางบอกพระองค์ต้องรู้แน่เพราะว่าเมื่อขาพระองค์เขามาแล้วรัชมีของขาพระองค์มัดไปเลยพระองค์บอกว่าหู้เฮาหู้ขั้นคู่กับผมผมขอเลียนแหนจะได้เลี่ยนค่าถาซอนนี่ ทอที่ให้มีรัชมีไปนั่นจะสถาน ท, ที่ดใดมีรัชมีขอบง่ำข้นมัดเนี่ยอย่างที่พระพุทธ เ, เจ้านั่งอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้ยภาพเข้าจีบสอนคนชุ่มสีสุภาษันผู้ใดบวชเของมาดในศาสนาของเฮาเท่านั้นเฮาจัางที่สอนให้คันผู้ใดบวชเขาจึงที่สอนให้คันผู้ใดบวบเขาสอนพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าให้ภามจันท่าพระนี่บวชเนี่ย เออกันท่กนก็ยอมบวชกับผมย่อมบวชเออเอาบวชเขามา้าเพิ่ลกระกไลบริว่านองเพลินน่อยจันท่าผ่านเหนือไ ล, ล่ลุกน่องออกนอกวัดะ ก, ก่อนไปสูเจริไปตั้งค่อยอยู่ปุนะ่นเนอเดี๋ยวขาจะเหียนค้าถากับพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อได้คาถาจบซอเลยยิ่งสิไปน้ากันเอาอยิ่งสิออกไปสุจ้าตเป็นค่อยจะทักนอกวัดเด้อพวกนั้นออกไปอยู่นอกวัดเป็นอย่ก็ มาเฮี้ยนพระพุทธเจ้าก็ให้ฆ่าถาสามสิบสองนะอาการสามสิบสองไอ้เจริญนะเนี่เกษาผมโลมากค น, นะขาเล็บท่านตาวันตะโจนังมังสังเหนื่อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหมามหัวใจตับทั้งผือไตปลอดใส่เงยอาหารไม่อาหารเกขาเออย่างถือพวกเฮ้าสัตยายอาการสามสิบสองจังตันเนี่ยสัตยา่ายทบไปทวนมากทบมากทวนไปพวกลูกน้องกับเข า, ขามากมื่อสองหมื่นไปแท้อาจารย์จบรลยยัง ลูกพ Be ี่จบหรือยังยังยังยองยังกับร่งเฮี้ยนดูกับร่งเข้มขดไปออกไปยุติธรรนอกก่อนอย่าเขามายุ่งกับร่างเฮียนพ้นเฮียนได้สามหมื่นสี่หมื่นบาเพ้นสาธยายพ้นเห็นกายกับใจพ้นได้บาทกห็นกายกับใจใจกับกายคนละแนวกันอาการสามสสองคือร่างกายใจของพ้นคือเป็นผู้สาธยายร่างกายบ่นเบิงเห็นพ้นก็เกิดความเบื่อหน่ายเลยบางเนี้ย ค่ายเลยลุดผลเป็นพระอรหันต์เลยบันี้ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ไดสามสี่มือเท่านพวกลูกน้องกัเขามาอีกไปไเป็นไอ้ลูกพี่จบหรือยังเงี้นจบหรือยังโอ้ยเฮ้าจบแล้วเฮ้าเงี้ยจบแล้วบัดนี้เฮ้าบอไปกับสูเจรถซูเจ้าไปสร้างสไปไสไปหากินอยู่ไสไปรถเอเอเฮ้าบอกไปแล้วนะเออก็เลยหาลูกน้องไปลูกน้องบ้านอะ ผู้ศรบวชน้ำพนกฐิมีบ้างผู้ศรไปจะในกระผูพนกบุรีก้าวไปอีกเลยท่านเพื่อในกระย่ต่อไปแต่นิพพัทโส์ทั้งหลายก็ะได้ยินว่าพระองค์นี้บอกว่าเฮาเฮาเลี่ยนค้าถาจบแล้วบอมเปนขาถาสิรไปครับสู้เจ้าแล้วเฮาจะยุตลอดไปแล้วนะพระสงฆ์เออพระจันทภาเนี่จันทภาเนี่ยแสดงว่าพยากร์พระทหา์อวดอุตตริมนุษยธรรม่นี่ก็เลยจับข้ามนี่ไปกล่าวพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกโอ้จันทภาเนี่ยได้เป็นพระอรหันแล้วไปอบมองคืนบัได้แล้วเป็นพระอรหันแล้วนี่ไปหายูหากินแบบนั้นมับนบอกแม่แนวนะ่ะเป็นเรื่องของโลกเพลนละกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นพระอรหันแล้วพระพุทธเจ้าหลับรองพระสงฆ์ก็หายสงสัยนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระจันทภาเนี่ย พ้นก็นได้สั่งบุญสัง่งกุศลอย่างพวกเห่าทันทั้งหลายได้สั่งนี่ยนะคือโบอแมนจิตจะห า, าทางโลกอย่างเดียวทางโลกอะแมนอย่างบริวากันหาปจัจจัยซีข่าวน้ำพ่อชนะอาหารที่อยู่อาศัยยาเกโอกไผ่ไข่เจ็บผ่านห่วงหมอมตอกให้บริบูรณ์ตอกให้มีอยู่มีกินมีใส่พวกเห่าจึงได้รับความพาสุขแต่ว่าถึงจะเลี้ยงปันได้ก็ตามร่างกายนี่ถึงจะหารดีปันไดก็ตาม ยาดีปันได้ก็ตามผ่านุงคมสวยง่ามปันได้ก็ตามที่อยู่อาศัยหรูลราโออาขนาดได้ก็ตามอบ้านที่สร้างเป็นลอยหลานพันหลานปันได้ก็ตามให้ร่างกายเอ็นยู่ร่างกายก็เข้าเนี่ยมีสิหนุ่มไปหนาเนีเอยพออยู่ปีนี้ผมงอกไปพ่อเห็นเห็นแดงอยู่ต่อไปก็งอกหลไรขึ้นไปเรื่อยออกไปมาตาฝาฟ้างหูถึงหนังเหี่ยวพ่อในสู้ก็ตาย เนีเลี่ยงปัญดีปันได้ก็ตายร่างกายแต่ว่าใจอีกทันทีหลั บ, บาดเนี่ยเฮาสิ่จะเลี่ยงแต่ร่างกายอย่างเดียวมันกรบอแมนแนวอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยจไปหาเห็ดแต่สวนมันสวนยางสวนเขาเออ่ยจ ะ, ะแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวมันกระบอเพียงพ่อมันน่าจะสา ะ, ะแสวงบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจด้วยไปน้ากันทั้งสองย่างอาหารกายอาหารใจบุญกุศลเข้าสู่จิตใจชวนอาหารภายนอกก็คือปัจจัยสี่ ยังจะให้ขาดตกปกพ่องเนี่ยจันทร์พระจันทร์ท่าพระในอดีตชาติของเพิินกันนี้แหละเพิิในใดถวายแอบทูปบดไม้จันแดงบูชาพระพุทธเจ้ากัจสปะแล้วก็ตั้งความปรารถนาเปิดพบใดชาติใดขอขออย่าได้มีความทุกข์ความจนให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในถ้ำ ล้ก็หายดวงตาเห็นถ้ำอย่างที่พระพุทธเจ้าพระรหัสสาวกทั้งหลายได้เห็นโดยเทเอเนเ่ยพอตายจากชาตินัน้นก็ไปสู่สวรรค์ออกจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นจันทภาเนี่ยเป็นผู่มีบุญวาสนาภ้ามาเกิดนี่แหละบุญกุศลบกไปใส่ได้มันเขามาสูจส่จิตสู่ใจของพวกเฮาทันทั้งหลายนี่แหละกันว่าเฮาทำความชั่วขึ้นกันความชั่วนี่จะภาพพักดันดวงจิตฟินญ่านของพวกเฮา อไปตกตํำไปใช้ก็ะได้มืดคาว่ามันตํำล่ะเป็นคนหูหนวกตาบอดก็ได้เป็นคนขาเปียเสียขาก็ได้เป็นคนงื้งง่าก็ได้เป็นดดได้ไมืดนะกำผ้าไปขั้นบุญผ้าไปกับไปในทางที่ดีผมดังขอให้พวกเข้าทั้งหลายเนะ่ยอาทั้งสองยางทั้งโลกเข้ากัจะให้ขาดตกปกพ่องทางถ้ำทางบุญกุศลก็จะให้ขาดตกปกผ่องไปไปพร้อมๆกันมีอย่างเออสัตย์ทายาทโนมเลยทำบุญเนี่ยหลวงพว่อก็พอดีมุ่งหวังอย่างขึ้นกัน มีแต่พญายหยอดพ่า ย, าายนุ่มเฮ็ดนี่ทำบุญทำท่าเฮ็ดแล้วก็าบอแม่นของหลวงพ่ออีกเป็นสมบัติของพวกข้าอีกมึงสี่แล้วมุ่งหลังค้าสารา่านพอมุ่งแล้วหลวงพ่อพอไม่นั่งผู้เดียวเลยพวกข้าก็ขามานั่งนํากันวัดคู่คู่คู่ค้นหาจใจผู้ใดก็ใจผู้มีเงินก็ใจซะผู้ว่ามีเงินก็บรรตองใจงก็บรรว่ากันหลวงพว่อก็เฮ็ดเอามันมีพอเฮ็ดพอเป็นพอไปก็เฮ็ดไปนี่แหละอันนี้ก็คือสุขสิงทุกอย่าง เพื่อไปกับเพื่อพวกเข้าทุกขู่ทุกคนเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สร้างบุญสร้างกุศลพอสร้างแล้วก็ต่างคนต่างไปเข่ากีบเมฆไปหายมิจิรีของไผ่ของมันยังตูหนวดทังสี่แล้วเห็นบ่ละอแล้วก็ตูใด้ตัตูไดในวัดเท่าแล้วก็จิไล่กันไปเรื่อยๆนะขั้นบนนี้จากบ้านแถวนี้หลวงพ่อก็จะไปให้ลูกให้หลานเห็นขึ้นกัน พนันพวกเข้าทั้งหลายเหมือนยังมีชีวิตอยู่ก็ให้สั่งบุญสั่งกุศลเนออย่าต่างอยู่ในความประมาทให้สั่งบุญสั่งกุศลทั้งสองอย่างที่ว่าน่ะทั้งโลกก็ย้า้ขาดตกปลุกพ่องทั้งถ้ำก็ย้า้ขาดตกปลุกพ่องอย่างที่หลวงพ่อได้บอกว่าตอนนี้ไปลับพ่อในอบันเนอร์อนุโมทนาให้พ่อ